ผู้ทัวร์สวัสดีค่ะทางฝั่งที่กรอบค่ะเราต้อนรับกันเข้าสู่ ในคราวนี้ของวัดป่าดอนไชยโสอ่าซึ่งทั้งวัดก็มีผู้คนนี่ค่ะคือไม่ใช่ๆค่ะคืออ่าอย่าง แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มีวัดจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่ว่าแม้กระทั่งวันพระก็ยังไม่ค่อยอืมก็อืมเป็นค่ะแต่ฉันอ่านข่าวเห็นอยู่ใกล้ๆอุดรก็ซึ่ง ก็ก็เลยจะไม่ได้มีค่ะอืมเอ่อทีนี้เรื่องพญาเนี่ยถ้าคนที่เอ่อได้ไปร่วมงานใช่ๆ ยังมีจริงมั้ยคะพญานาคยังยังรวมกับว่าคนไทยกับพญานาคถ้าเป็นสิ่งๆหรือเรื่องราว แล้วคามีเนี่ยทุกวันเนี้ยมีอยู่จริงหรือไม่อ่ะเอ่อก็พูด อาหารต่างๆเค้าก็ก็มีของเค้าแยกไปนะด้วยเครือข่ายพยานของปุโรหิตแล้วก็เลยมาบอกให้ทราบทีนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นแล้วมันจะ กายหยาบที่เราสามารถรู้ได้แล้วยิ่งการละเอียดนี้ถ้าคุณไม่มีเครื่องรู้ที่ มีใช่แล้วก็อาจจะไม่ใช่ท่านไม่ใช้คําว่าน่าจะเลยใช่มั้ยคะมีอยู่แน่นอนมี อ๋อเป็นหน้านิกายละเอียดกว่าเราอ่ะค่ะใช่เป็นกายที่ไม่ บี 10 ยังไงแล้วก็เลยต้องไปเป็นพญานาคอะไรค่ะอ่านั่นคือในๆมีมั้ย <AL> <AL> เพราะอ๋อเพราะฉะนั้นทําไมคนเขาจะบวชก็ถึงต้องเป็นนาคก่อนค่ะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตํานานเนี่ยมัน นะเพราะว่าไปไม้ขาดเนี่ยเนื่องจากศีลของพระข้อนึงก็คือว่าห้ามพรากของเขียวนั่นก็คืออย่าไป แต่ได้ความจริงปรากฏว่าเอ้าอ่าจริงๆเป็นเป็นนาคมานะก็เลยห้ามบวชเพราะว่าค่ะอ่าทีนี้ก็อ่าแล้วอมนุษย์เราทําไง บางคนๆซึ่งเอ่อสิ่งที่เราควรจะต้องทําเนี่ยคือการบูชาด้วยการปฏิบัติในบูชาพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติที่ๆอะไรก็ว่าไป อะอมนุษย์แล้วเนี่ยอมนุษย์ก็จะเราก็จะเป็นค่ะนิดดิชั้นเคยอ่านเจอในการรวบค่ะใช่ค่ะว่า แล้วพออีกรูปนึงไปประกอบกิจอะไรก็ไม่ทราบออกจากค่ะอ่าก็นี่แหละนิทานเรื่องนี้ บอกว่าเป็นนาคเนี่ยไม่สามารถบวชพระใช่จริงๆเนี่ยก่อนหน้า ถ้ามีจริงแล้วที่เค้าไปดูดูกันค่ะท่าน มีสิ่งเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องที่พอแต่ที่แน่ๆก็คือไว้ตัวเราเอง อ่าเพราะว่านิเวศมนุษย์ใบเนี้ยดิฉันว่าคนปฏิบัติอ่าปฏิบัติธรรมของๆมันอาจจะทําให้<ใช> ต้องคําจิตที่ทํา 8 ใช่มั้ยคะใช่ๆมันค่ะคือจะได้ถือว่าเป็นอ่าสําหรับเรื่อง ก็จะได้ให้เกิด